สองทุกเพราะจิตหยิบฉวยจิตวงเล็บเปิดสิ 16, พฤศจิกายน25งพ้าร้ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดมันเค้นของมันทั้งวันทั้งคืนนะมันผิดสองต่ออันแรกมันไปหยิบขึ้นมาก่อนมันหยิบฉวยจิตอันนี้ก็คือการที่จิตเรายึดถือขันนั่นเองยึดถือจิตยึดถือขันพอยึดถือขึ้นมาแล้วไม่ถือเฉยๆนะ ทันทีที่ความอยากใดๆเกิดขึ้นมันจะบิดมันจะขยำไปเรื่อยๆมันจะเกิดทุกข์อันที่สองขึ้นมาทุกข์เพราะแรงเค้นทุกข์เพราะการกระทำของใจเรียกว่าทุกข์เพราะพบพบคือการกระทำทางใจรากของมันคือตัณหาอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้พอไปหยิบมาก็คิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันดีเราก็บิดใหญ่ทั้งบิดทั้งเค้น ตราบใดที่ยังหยิบฉวยอยู่ก็บิดบิดเข็นเข้นไปเรื่อยเข้าถึงทำสามครั้งก็ยังหยิบขึ้นมาเอามาดูนินดๆหน่อยๆไม่บิดไม่เข้นนะเอามาหยิบหยิบแล้วก็วางเดี๋ยวก็หยิบอีกถ้าเข้าถึงทาครั้งที่สี่แล้วก็จะทิ้งไม่หยิบขึ้นมาอีกฉะนั้นเมื่อเราภาวนาจนถึงขีดสุดมันจะวางลงไปมันจะสลัดคืนไม่ไปหยิบมาอีกก็ไม่มีการเขนฉะนั้นความเครียดในใจจะมีไม่ได้เลย ไม่เกิดความเครียดขึ้นมันจะเกิดแต่ความทุกข์ของาธาตุของขันาธาตุขันก็ทำงานของมันตามปกตินั่นแหละไม่ใช่ว่าผิดมนุษย์มนาอะไรนะแต่ใจไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาสิ่งที่หยิบฉวยก็คือจิตนั่นแหละจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาฉะนั้นวันใดสามารถวางความยึดถือจิตลงไปได้แล้วถึงจะหมดภาระหมดความทุกข์ก็เหลือแต่ความทุกข์ของขัน